่องหลับตาฝด้เป็นตัวเป็นตาเ ต, ต, ต, ตืนขึ้นมา แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปา ร, รัมพ ร, รากันจ้ า, จาหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้รับฟังข้อเสนอจากพระราชาหรือพระราชบิดาของเจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจแล้วท่านมหาเสนาบดีก็ได้กล่าวถ้อยคำอันเป็นอมตะวาจาท่ามกลางที่ประชุมอย่างหนักแน่นว่า การที่ตัวท่านมหาเสนาบดีเนี่ยจะมาทำหน้าที่เป็นทาหารารับใช้ชาติบ้านเมืองนี้วัตถุประสงค์หลักก็คือการปกป้องแผ่นดินทุกตารางนิ้วไม่ให้ตกไปเป็นของใครดังนั้นข้อเสนอที่จะให้สละดินแดนส่วนน้อย เพื่อรักษาพื้นที่ส่วนใหญ่ของแคว้นเอาไว้นั้นตัวท่านคงจะไม่สามารถารับข้อตกลงนี้ได้แต่สิ่งที่ทางแคว้นของพระราชาองค์ที่จะออกบวชสามารถหยิบยื่นให้ได้อย่างมากที่สุดนั่นก็คือศัจจและสันติภาพเท่านั้นอ๋ อ, อนี่เ<อ>นาะ<อ>นี่ให้ความจริงใจ<อ>แล้วก็จะให้ตรงนี้เป็นสันติภาพ เมื่อพระราชาและเหล่าเสนาบดีทั้งหลายได้รับฟังคําตอบที่กล่าหาและจริงใจอย่างถึงแก่นถึงกื้นเช่นนี้ <c oughs> พระราชาจึงได้ตรัสตอบท่านมหาเสนาบดีอย่างแบ่งรับแบ่งสู้ว่าดัางนง้นก็จะขอเวลาในการตัดสินใจกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เจอสัจจะและสันติภาพดีเนาะห <c oughs> ลังจากเสร็จ สิ้นภารกิจการต่อรองรของกําลังสนับสนุนจากแคขกของพระราชาทิ่เจริญศิลปะแล้วแล้ ว, ว่าท่านมหาเสนาบดียอมบอกเชมื่อกี้นี่แล้วมีทางออกอยังไงอืแล้วจะนั <c oughs> ้นว่ญญา และอยากเสียจสิ้นภารกิจการต่อรองเมื่อขอกําลังสนับสนุนจากแคว้นของพระราชาที่จะเจริญด้วศิละปะแล้วตทหาเสนาบดีก็ได้รีบเดินทางกลับไปยังแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชไปจะได้แรงงานความคืบหน้าให้กับพระราชาองค์ที่ออกบวชไดทรงทราบในทันทีโดยก่อนที่ทหารเสนาบดีจะออกเดินทาง กลับไปยังแคว้นของพระราชาองค์ที่จะออกบวชนั้นแต่ท่านก็ได้มอบหมายให้ขุนพลคู่ใจคุณสนิทนี่ใครก็ไม่ทราบเนะ oh. ประจําการอยู่ที่แคว้นของพระราชาที่จะได้ศิลปะต่อไป oh. คือให้ขุณพลคู่ใจเนี่ยคนสนิทให้อยู่ที่แควนี้ต่อไปเพื oh. ่อที่ขุนพลคู่ใจคุณสนิทคนนี้จะได้ทําหน้าที่ประสานงานกับเจ้าชาย ผูมีศิละปะในหัวใจและคอยส่งขาอัปเดตกลับไปยังแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชต่อไป oh. ซึ่งในนาคตขุนพลท่านนี้หรือคุนพรคู่ใจคนสนิทของท่านมหาเสนาบดีนี้ oh. ก็จะกลายเป็นข่ารายการชั้นผู้ใหญ่ที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยก็จะชายผู้มีศิละปะในหัวใจเป็นอย่างมาก และว เ, เจ้าชายภูมิศิละปะในหัวใจได้สเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระราชาผู้ปกครองแคว้นแล้วขนพลท่านนี้แหละเขาจะมีบทบาทสำคัญในการไปช่วยสร้างวัดที่แคว้นของพระราชาที่ความเจริญทางด้านศิละปะด้วยเช่นกัน oh. หลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้เดินทางกลับมาถึงแคว้นบ้านเกิดแล้ ว, วท่านก็อารีไปเข้าฝ่าพระราชาองค์ที่จะออกบวช ถวายรายงานถึงผลการเจรจาทางการทูตกับแขวนของพระราชาที่จเจริญในศิลปะโดยละเอียดพระพระราชาองค์ที่ออกบวชแต่ฟังคําถวายรายงานของท่านมหาเสนาบดีแล้วราก็ะส่งมอบหมายท่านมหาเสนาบดีออกเดินทางไปสมทบกับกองทัพภาคที่เตรียมพร้อมอยู่ในแนวรบ อยู่ที่หัวเมืองชายแดนฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือปเปิดเตรียมต้องรับกองทัพขุนควัญกัรชนฝั่งทิศเหนือคือกลับมาจากแขวัญเวลาจะ บ, บูชเจรียญศิลปะก็เข้าสู่สมรภูมิเลยโดยพระองค์ทรงให้นโยบายพร้อมคต้องให้กำลังใจกับท่านมหาเสนาบดีว่าศึกครั้งนี้มีทางเลือกทางเดียวคือจะต้องชนะ เจ้นนานธมหาเสนาบดีก็ได้รีบออกเดินทางไปสมทบกับกองทัพภาคที่เตรียมพร้อมอยู่ในทันทีพร้อมกับนึกคิดไปตลอดตามวันซึกครั้งนี้ <c oughs> จ้ชนะอย่างเดียวเนะ <c oughs> าะพระรมหาเสนาบดีเดินทางไปถึงหัวเมืองใจแดนฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วตัวท่านก็ได้ทํางานเริ่มกับท่านแม่ทัพภาคคนใหม่ ที่มาทำหน้าที่แทนแม่ทัพภาคคนเดิมที่ถูกปลดและจับตัวไปคุมขังแล้วโดยท่านแม่ทัพภาคคนใหม่นี้จะเป็นนายทหารที่มีความเนียบเฉียบนิง่งเป็นอย่างมากที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะเวลาที่ท่านแม่ทัพภาคคนใหม่ทํางานเนี่ยตัวท่านจะเอาเงาไปทับงานหรือเอาใจใส่ในทุกๆภารกิจที่ตัวท่านได้รับมอบหมายอย่างชนิดที่เรียกว่า เนียบเฉียบเป๊ะในทุกรายละเอียดโดยไม่ยอมให้หลุดเลยแม้แต่นิดเดียวยกตัวอย่างเช่นภา ร, รกิจการเสริมความแข็งแกรงของป้อมค่ายหรือภา ร, รกิจการขุดลอกคลูกรลองกรอบกำแพงเมืองประวางขวางหนามแม้จะมีหน่วยทหารช่างที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการก่อสร้างข้อไปดูแลแล้วก็ตาม ท่แม่ทัาพภาคคนใหม่ก็ไม่ปล่อยผ่านเพราะท่านจะเข้าไปดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อยในทุกๆจุดด้วยตัวท่านเองจะเป็นผลทำให้ทั้งครูคลองที่วางขวากหนามและป้อมค่ายของหัวเมืองมีความแข็งแรงแข็งแกร่งและแน่นหนาจนสตรู้ยากที่จะบุกเ ข, ข้ามากล้กำแพงเมืองได้เป็นต้นนอกจากท่านแม่ทัาพภาคคนใหม่จะสามาร สร้างป้อมค่ายจะสมบูรณ์แข็งแรงแบบไม่มีทิติในทุกรายละเอียดแล้วโดยสติปัญญาฉานฉลาดของท่านแม่ทับภาคคนใหม่จึงทําให้ตัวท่านสามารถมองการกระลายและคํานึงถึงผลในอริยะญาได้อีกด้วยว่าถึงแม้ป้อมปราการที่สร้างขึ้นจะแข็งแรงจะสามารถเป็นปราการใหญ่ที่ปกป้องพวกชาวเมืองให้ปลอดภัยได้แต่ทหาการศึกยืดเยื้อ หรือถูกข่าศึกปิดล้อมเป็นเวลานานิึงที่จะเป็นปัญหาตามมาก็คือระบบสาราณูประโภคภายในหัวเมืองแห่งนั้นโดวยวเฉพาะเรื่องน้ำดืม่มน้ำใช้เป็นต้นนั่นเอง oh. เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านแมทาภาพคนใหม่จึงได้ออกแบบระบบสาราณูประโภคเฉพาะกิจเพื่อใช้ในช่วงภาวะวิกฤตสงครามแช่แดนขึ้นมา โดยท่านได้สั่งให้หน่วยทหารช่างขุดบอ่อต่ออุโมงค์ไปนาน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติกลับมาให้ประชาชนมาในป้อมค่ายได้ใช้โดยไม่ขาดแคลนไม่เพียงแค่นั้นท่านเปโตรปาคนใหม่ยังได้สั่งให้กําลังพลทหารไปเคลียร์พื้นที่โดยราวกาแพงเมืองให้กลายเป็นพื้นที่โล่งกว้างพร้อมทั้งสั่งให้หน่วยทหารช่างสร้างคืน กักเก็บน้ำขนาดใหญ่นาคป้อมค่ายเอาไว้อีกโดย oh. เมื่อทั้งอุมโมงส่งน้ำและเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่เราไปถึงการเคลียร์พื้นที่โดยรอบกำแพงเมืองให้กลายเป็นที่โล่งกว้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอดทหารทุกคนต่างกับเ้ารอคอยด้วยใจที่จดจ่อบ่าเมลัยกองทัพของข้าศึกจะเคลื่อนทัพมาถึง ทั้งท่านมหาเสนาวดีกับท่านแม่ทัพภาคุนใหม่ท่ก็ได้ปรึกษาหารือและเตรียมวางแผนการลบว่าจะได้รับมือกับข้าศึกฝ่ายตรงข้ามอย่างเต็มที่และในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายกำลังเตรียมพร้อมสู้ศึกจุนนั้นก็ได้มีข่าวสำคัญจากสปายหรือสายลับที่ฝังตัวอยู่ในแคว้นกัญชนฝั่งทิศเหนือพอกันเลยเนาะ รายงานมาว่าทางแควนกันชนฝั่งทิศเหนือได้ยกกองกำลังทหารมามากกว่าที่คาดเอาไว้มากมากเลย oh. ส่วนสาเหตุที่ทำให้ทางแควนกันชนฝั่งทิศเหนือต้องยกกองกำลังทหารมาเป็นจำนวนมากนั้นแต่นี้ก็เป็นเพราะทางแควนกันชนฝั่งทิศเหนือต้องการที่จะแสดงแสนยานุภาพหรือประกาศสักด้ายแควนหนึ่งๆได้รับรู้ว่า แคว้นของตนมีกำลังพลมากพอที่จะบุกตีแคว้นของพระราชาที่พึ่งจะขึ้นครองราชใหม่หรือพระราชาองค์ที่ออกบวชได้อย่างสบายๆประมาณว่ากะจะกินหมูแต่หารู้ไม่ว่าหมูที่ตัวเองคิดแท้จริงแล้วกลับเป็นหมูขี้อก้าเป็นราชสีห์อ๋อ <laughs> ข้าหมูเกียาติมก็ยังเป็นหมูอยู่ดีดนอกจากนั้นการบุคตีแข่งของพระราชาองคที่ออกบวชในครั้งนี้ก็เพื่อตั้งการที่จะคราบคลองทรัพยาการธรรมชาติที่ดมสมบูรณ์และทรัพย์สมบัติที่มีอยู่จางมากมายเป็นในแข่งของพระราชาองคที่ออกบวชนั่นเองหลังจากที่ท่านมาเสนาบดีและท่านแม่ทัพภาคคนใหม่ ได้ทราบคาจากส ป, ปายหรือสายลับที่ฝังตัวอยู่ในแวดกันจนฝั่งทิศเหนือเช่นนั้นแล้วตอนทั้งสองก็ไม่ได้รู้สึกหวั่นเกรงหรือหวั่นกลัวแต่อย่างใดที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านได้จัดวางกองกําลังทหารแต่ละหน่วยแต่ละกองไว้อย่างรัดกุมเป็นสนองนโยบายของพระราชาองค์ที่จะออกบวชอย่างเต็มพิกัดว่าศึกครั้งนี้ต้องชนะสถานเดียวนั่นเอง และในอรวางที่ท่านมหาเสนาบดีและท่านแมททับภาคคนใหม่กําลังเตรียมพ ร, ร้อมเพื่อรอที่จะต่อกรกับกองทัพของข้าศึกอยนั้นตัวท่านมหาเสนาบดีเองก็ได้รอคอยคําตอบ <Okay. S 1> จากแคว้นของพระราชาที่เจรเดินในศิลปะด้วยท่าทีที่สงบนิ่งว่าแขวนของพระราชาที่เจะเดินในศิลปะจะยอมยกทัพมาช่วยหรือไม่ oh. นี่กำลองขออยู่ นี่เนาะแล้วท่านมหาเสนาบดีก็ได้ทราบข่าวจากมาเร็วว่ามาแล้วทับหน้าของข้าศึกได้เคลื่อนไั่พลาพมาถึงบริเวณหน้าด่านร้อกันทำการตั้งป้อมค่ายแบบประจัน์หน้ากันแล้วไปเพียงแค่ด้านท่านมหาเสนาบดีบยังทราบอีกว่า ทางฝ่ายเขาไม่ทับข้าศึกพร้อมกับเหล่าลูกน้องนายทหารคนสนิทได้ลงทุนมาตรวจดูพื้นที่การลบด้วยตัวเองอีกด้วย oh. ไม่ทับข้าศึกมาเองเลยเนะ <Yeah. S 1> าะพระธรมหาเสนาปฏิทิศทราบความเคลื่อนไหวของฝ่ายข้าศึกเ <Yeah. S 1> ช่นนั้นตัวท่านจริงยังไม่รอช้าได้นำกองกาลังทหารบางส่วนออกไปสำรวจทับของฝ่ายข้าศึกบ้างในทันที oh. นี่นี่พอๆกัน หลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้เดินทางไปถึงจุดที่พอจะสอดส่องความเคลื่อนไหวของกองทัพข้าศึกได้แล้วแต่ท่านก็บพบว่ากําลังพลของข้าศึกกับกาลังพลที่มีอยู่ในเมืองท่านมหาเสนาบดีนั้นต่างกันอย่างลิบลับเลยเราจะหากเอามาเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนระหว่างกําลังพลของท่านมหาเสนาบดีกับกําลังพลของฝ่ายข้าศึกแล้ว ก็มีปริมาณตแต่หนึ่งต่อ1ิบลยที่เดียว oh. ถึงจะเป็นการรอบทั่วๆไปก็บอกแต่คำเดียวว่า oh. ไม่รอดไม่รอด oh. ไม่น่าจะรอด oh. แลนะขณะที่ท่านมหาเสนาบดีกำลังตกอยู่ในภาวะหน้าสิวหน้าขวานเราต้องเตรียมรับมือกองทัพของข้าศึกที่มีกำลังพลเหนือกว่ากองทัพของตัวเองถึงสิบเท่าตัวนั้น ตาหาเสนาบฏิกระด็รับทราบข่าวดีจากทางเมืองหลวงว่าแขวงของพระราชาที่จเจริญในศิลปะได้ตัดสิในใจ ย, ยกทัพไปช่วยแควงของพระราชาองค์ที่จะออกบทแล้วอโอ <laughs> โดยในขณะ น, นี้กองทัพของแควงพระราชาที่จเจริญในศิลปะกำลังเคลื่อนพลไปประชิดแนวชายแดงแควนกัรชนฟังทิศเหนือ เบอร์กระดนใแคว้นการจนฟังทิศเหนือเกิดความห่วงหน้าพวงหลังพระต้องเตรียมรับศึกทั้งสองด้าน oh. นี่หลังจากทิศทดสอบดวงปัญญา <Yeah. S 1> กับไหวพลิปฏิภาณนกันมหาเสนาบดีแล้ว <Yeah. S 1> แล้วก็ได้ฟังข้อความที่นันมหาเสนาบดีตอบไปโอ้ <Yeah. S 1> oh. อะไรแะ้วจาสัจจะและสันติภพ oh. าพโอ้ดินเนาะเลยตั้งยกมานะ yeah. หลังจากที่ทำมหาเสนนาบดีและเหล่าทหารหารทุกคนได้ทราบข่าวดีที่มาจากทางเมืองหลวงแล้วทุกทุกคนต่างก็มีขวัญกำลังใจดีๆขึ้นเป็นอย่างมากเพียงแค่ว่าเดต น, นี้ทุกทุกคนจะต้องรงมือกันยันคาศึกว่าเห็นนานที่สุดเท่าที่จะทำได้เท่านั้นและเมื่อเช้าของวันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้น การทับกองแควนการชนฝั่งทิศเหนือก็ได้ย่ำกลองศึกเพื่อเตรียมจัดทัพที่จะเข้าจอมตีป้อมค่ายของท่านมหาเสนนาบดีแล้วท่านมหาเสนนาบดีแล้วท่านแม่ทัพ้าคนใหม่ได้ยินเสียงสัญญาณศึกที่กำลังจะเกิดขึ้นเช่นนั้นท่านทั้งสองก็ได้ออกมาพูดในกำลังใจเหล่าทาหารหารให้เกิดความมึกเมิมและพร้อมที่จะออกรบอย่างเต็มที่ เจานาทมหาเสนาบดีก็ได้ทำพิธีแต่งทัพนี่ทำพิธีแต่งกองทัพไม่ใช่จับกองทัพมาแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างนั้นเหรอด้วยวิธีการไรเวทไอ <c oughs> <c oughs> เราทา ห, าหารมีความคงกระพันชาตรีคงกระพันหมายถึงว่า ฟันไม่เข้าแต่เจ็บชาตรีไม่เข้าและไม่เจ็บ oh. อย่งนี้ตามทันไปจ้ะเนี่ยสมมุติว่าโดนแทงเนี่ยถ้าคงกระพันอย่างเดียว oh. จึก oh. โอ้ยเนี่ยนี่แนะ <laughs> ถ้าคงกระพันชาตรีให้ร oh. ้องเอิก๊กเอิ๊กเลย <laughs> น, ย <laughs> นี่หรือมีหนังเหนียวจนคมหอกคมดาบไม่สามารถ ทำความราคาเกือให้เกิดขึ้นกับผิวได้ที oh. ่จะผิวหนังมีภูมิต้านทานอ oh. ีท่านมหาเสนาบดียังได้อาราญมณสะกตไอกองทัพข้าร็จเห็นกองทําก้าฝ่ายตอนละเกิดความเรื้อ ก, กลัว oh. จนไม่กล้าที่จะเข้ามาประจัญหน้าอีกด้วย oh. ก็มีกันทุกยุคทุกสมัยนะจ๊ะ oh. ที่รบกันด้วยห อ, อกดาบแรงต่างระนเนะียนะก็ทั้งอย่างนี้จ๊ะ แล้วเมกทัพของข้าสึกได้เคลื่อนกำลังพลมาถึงบริเวณด้านหน้าลานยินกรถึงกำแพงเมืองแล้วข้าศึกมาถึงแล้วนะจ๊ะทางฝ่าข้าสิกก็ได้ส่งคณะทูตมาเจรจาแก้มขมขู่ในทํานองที่ว่าให้ท่านมหาเสนาบดียอมแพ้เสียเถอะจะได้ไปต้อมีใครบาดเจ็บล้มตาย และจะได้ไม่ต้องมีการนองเลือดดูเหมือนดีเนาะทันทีที่ท่านมหาเสนาบดีได้รับฟังการเจรจาแก้มขบกูเช่นนั้นเลือดลมภายในตัวท่านก็พลันพุ่งพล่านขึ้นมาในทันทีแล้วท่านก็ไลต่ตะเพิดกระทูดเหล่านั้นให้กลับไปอย่างไม่ใหญ่ดีแต่เสียงอันทรงพลังดดดังเสียงของพรยาราชสีโอ <c oughs> เมื่อทางฝ่ายกาสิกรเห็นว่าการเจรจ า, าคมครูไม่ได้ผลทางฝ่ายกาสิกรจึงได้ส่งสัญญาณยกทัพ บ, บุกเข้าไปโจมตีกำแพงเมืองท่านมหาเสนาบดีในทันที oh. ในขณะที่กองทัพได้ก็ฝ่ายกาสิกรกาลังเคลื่อนทัพเป็นแถวยาวสุดลูกหูลูกตา mm hmm. ถึงที่สุดลูกหูลูกตาก็เข้ามาทีละแถวเนี่ย <laughs> <laughs> ก็แค่ดูเพลินๆกันได้เลสุดลูกคุลูกตาเข้ามายังบริเวณลานดินที่หยุดด้านหน้ากับแพงเมืองนั้นท่านแม่ทัพผ้าคนใหม่ซึ่งไม่พูดที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านน้ำก็ได้สั่งการให้ทลายเขื่อนกันน้ำขนาดใหญ่ติ่กักเก็บน้ำเอาไว้อยู่นอกป้อมค่ายอ๋อมีเหตุผลเนาะที่เก็บน้าไว้นอกป้อมค่าย แล้วทันใดนั้นเองมวลน้นําจำนวนมหาศาลก็ได้ไหลทะลักกระท่วมลานดินแห่งนั้นอย่างรวดเร็วทันทีที่พวทหาร ข, ของฝ่ายข้าศึกเห็นน้ําหลากมาอย่างรวดเร็วเช่นนั้นพวทหารเหล่านั้นต่างก็รู้สึกตกใจกลัวจนแตกตื่นและก็พากันแตกถถวเสียกระบวนกาทัพไปอย่างไม่เป็นท่าเลยและโดยยธวิธีอันชานฉลาดของท่านแม่ทัพภาคคนใหม่ พฮมีความเชี่ยวชาญทางด้านน้ำนี้เองนี่นะถ้าประชุมชาดกเนี่ยเราจะตกใจกันเลยนะจึงทำให้ลาในบริเวณด้านหน้ากำแพงเมืองได้กลายเป็นทะเลตื้นๆี่กินบริเวณพื้นที่กว้างมากอี่ตั้งสภาพของดินในบริเวณนั้นก็เด็แปรเปลี่ยนเป็นทะเลโคลนจึงทำให้กองทัพของฝ่ายขา้ศึกยากแต่การจะเคลื่อนพล บกขบจอมติงกำแพงเมืองเพราะเป็นเช่นนี้จึงทําให้ทหารของฝ่ายข้าศึกยังไม่สา ม, มารถที่จะบุกขมาสัมบัติกำแพงเมืองได้เลยแม้แต่เพียงคนเดียว oh. ยุทธวิธีนี้ทำให้การบุกจอมติ้งของข้าศึกต้องหยุดชะงักลงอย่างกระทันหัน oh. สิ่งถือว่าเป็นยุทธวิธีที่ช่วยประวิงเวลาออกไปได้สักระยะหนึ่ง oh. นี่เนอะ จากนั้นท่านมหาเสนาบดีก็ได้จัดตั้งกองกําลังทหารหน่วยพิเศษขึ้นมาโดยทหารหน่วยนี้จะคอยดักซุ่มอยู่บริเวณด้านหลังของแนวข้าศึกเครื่องอยู่ด้านหลังแนวรบนั่นเองเว่าลายที่ทหารของฝ่ายข้าศึกเผลอกใกล้ทหารหน่วยนี้แอบไปเผากองสืบเนื่งข้าศึกให้มากที่สุดที่จะทําได้ เลยกได้ว่าถ้าเจอกองเสบียงที่ไหนก็จุดไฟเผาให้เฮียนในยันทีนี่กองทัพเดินี่ทองหนุ่ม่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนจึ่งส่งผลทำให้เสบียงกลางของข้าศึกกรร็ไไรหลาลงไปเป็นจำนวนมากนี่และเมื่อฝ่ายข้าศึกถูกลักลอบทาลายเสบียงกลางไปเป็นจำนวนมากเะนั้น ฝาย้าศึกยังได้ตอบโต้โดยการใช้กําลังพลที่เหนือกว่าการไปโค่นต้นไม้เพื่อทําเขื่อนกั้นลําน้าที่จะไหลผ่านเข้าไปในกําแพงเมืองเพราะเป็นเช่นนี้จึงทําให้น้ําในแม่น้ําแห้งขอดลงอย่างรวดเร็ว <Hello. S 1> พอกอเลยเนาะ oh. <laughs> แม้ว่าฝากค้าศึกจะสามารถปิดกั้นลําน้ําที่จะไหลผ่านเข้าไปในกำแพงเมืองได้แล้วก็ตาม mm hmm. แต่ถึงกระนั้น ้ดยสติปัญญาความสา ม, มารถงท่านแม่ทัพภาคคนใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนะ้ำได้จัดเตรียมระบบส่งน้ำผ่านทางท่อไว้ก่อนลูกน้าแล้วนี่นี่เออเล่นฉลาดนะจึง ท, ทำให้เหล่าทหารหารและประชาชนที่อยู่ภายในกำแพงเมืองยังมีน้ำาดื่ดและน้ำใช้หล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเปล ว, ว่าเหนื่อยเปล่าตลอดไปโค่นต้นไม้เลยนี่เนาะ โอ้ทำจะลจะฉลาดนะหลังจากเริ่มทําสงครามไปได้สักระยะหนึ่งแล้วท่ามหาเสนาบดีก็ได้ออกไปแอบซุ่มสํารวจดูสภาพความมัน่นคงของข้าศึกโอ้ก็ถือว่าเสี่ยงพอสมควรเนาะห ล, ะลังจากที่ท่านได้ออกไปสารวจดูแลว้วตัวท่านก็ได้พบว่าโอดทหารของข้าศึกเริ่มอ่อนล้าเต็มทีแล้วที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะพวกทหารเหล่านั้นขาดแคลนทรบพย์เงิรกลาง ทั้งเวยียางก็ละหลวมเป็นอย่างมากเมื่อทํามหาเสนาบดีทราบเช่นนั้นน่ยตัวท่านยังได้อาศัยช่วงจังหวัดที่ข้าศึกกําลังอ่อนแอนี้ส่งกองกําลังทหารหน่วยพิเศษออกไปเผาค่ายข้าศึกในตอนกลางคืนพอ oh. เป็นเชนี้จึงส่งหมทหํา้งไปปกตางฝ่ายข้าศึกแตความวัดกลัวจงขวัญห น, นีดีฟอ oh. นี่ดีเหลือนิดเดียวเลย oh. และไม่กล้าที่จะออกมารบนอกค่ายอี ก, อก oh. แล้วเนี่ย นหนลังจากนั้นไม่นานนักท่านมหาเสนาบดีก็ได้รับทราบข่าวจากทางเมืองหลวงว่าในตอนนี้กองทัพของแคว้นพระราชาที่จเจริญดิศลปะได้เคลื่อนกาลังพลไปประชิดแนวชาแดนของแคว้นกันจนฝั่งทิศเหนือแล้วและในขณะเดียวกันนั่นเองท่านมหาเสนาบดีก็สังเกตเห็นว่า กองทัพของฝ่ายข้าศึกได้สั่งการถอนทัพอย่างเร่งด่วนเพื่อรีบกลับไปยังแคว้นของตัวเอง oh. ก็มีสปายมาบอกเหมือนกัน oh. น, เนะเจนนี่เนาะนี่แคว้นป ร, ราชาเจริญด้วยศิลปะเครื่องกําลังไปไว้ิต่ชายแดนแล้วห oh. ลังจากที่กองทัพของฝ่ายข้าศึกได้ถอนทัพกลับไปยังแคว้นตัวเองแล้ว oh. พวกชาวบ้านทั้งหลายที่อยู่ในเขตหัวเมืองชายแดนฟังทิศตะวันตกชิงเหนือ ของแคว้นพระราชาองค์ที่จะออกบวชต่างก็ออกมาร้องรำทำเพลงเพื่อฉลองชัยชนะศึกสงครามในครั้งนี้ก็ <Hey. S 1> มนุษย์ก็เป็นอย่างเี้เนะแเป็นศ <Yeah. S 1> ึกสงครามที่ไม่มีการสูญเสียกำลังพลเลยแม้แต่นายเดียวโอ้ oh. oh. หลังจากที่ศึกสงครามได้สงบลงแล้วประชาชนทุกคนก็ได้ออกมาช่วยกันฟื้นฟูสภาพบ้านเมืองหลังสงคราม ให้กลับมาหน้าอยู่เหมือนเดิมและทหารหารทุกนายต่างก็ได้รับการปูนบำเหน็จกันอย่างเต็มที่สําหรับตัวท่านมหาเสนาบดีนั้นก็ได้รับการเลื่อนตําแหน่งให้เป็นแม่ทัพที่ดูแลกําลังพลในเขตเมืองหลวงควบคู่ไปกับการทําหน้าที่เป็นข้าหลวงพิเศษที่มีอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องต่า ง, า ง, างๆแทนพระราชา คืพูด ง, ง่ายๆว่าทําหน้าที่ต่างๆระเน่ประการหรือเป็นหูเป็นตาแทนพระราชานั่นเองหลังจากที่บ้านเมืองได้รับการฟื้น ฟ, ฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วประชาชนทั้งแคว้นต่างก็ได้พร้อมใจ ก, กันจัดเตรียมงานเฉลิมฉลองการอขึ้นครองราชของพระราชาองค์ใหม่หรือพระราชาองค์ที่จะออกบวช ด, ด้วยความสนุกสนานเบิกบานกันอย่างเต็มที่เลย และในระหว่างที่ประชาชนทั้งแคว้นกําลังช่วยกันจะเตรียมงานเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชกองพระราชาองค์ใหม่เหรือพระราชาองค์ที่จะอาบชอยู่นั้นพระราชาองค์ที่จะอาบวก็ทรงรับสั่งให้ท่านมหาเสนาบดีเดินทางไปเจริญสัม ม, มาณมตรีกับแคว้นของพระราชาที่จเจริญในศิละปะอย่างเป็นทางการ ร่วมกขอบคุณที่ได้ให้ความช่วยเหลือในศึกสงครามครั้งที่ผ่านมาจั้พระราชาองค์ที่จะออกบวชยังได้ทรงรับสั่งให้เทิญเชิญเจ้าชายภูมิศิละปะหัวใจเสด็จเดินทางมาร่วมงานเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของพระองค์อีกด้วยเพรเป็นเช่นนี้จึงทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองแวนแควนมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมไปหลังจากที่พระราชาองค์ที่จะออกบวช ได้ปกครองแผ่นดินไม่ได้ศักระยะหนึ่งเหล่าเสนามัดและข้ารการชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ช่วยกันดูแลแหวนแควร์มาตัาง้งแต่ยุคสมัยของพระราชบิดาของพระราชาจางก็ถึงเวลากเกษียณและก็เปิดทางให้ในาทหารรุ่นใหม่ไฟแรงได้ขึ้นมาช่วยกันดูแลแหวนแควร์ต่อไปซ oh. ึ่งตัวท่านมหาเสนาบดีกระได้รับคํำสัง่งแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีที่ทำหน้าที่ช่วยดูแลกิจการงานของบ้านเมืองต่างประเทศละกันและเมื่อท่านมหาเสนาบดีได้รับตำแหน่งนี้มาแล้วตัวท่านก็ได้ทุ่มเทพัฒนาแว่นแควนให้มีความเจริญในทุกๆด้านโดยตัวท่านจะมุ่งในพัฒนาเรื่องการศึกษาและคุณธรรมเป็นหลัก oh. อ๋ อ, อแล้วอ๋ อ, อแล้ว oh. <laughs> อีก้งตัวท่านยังคอยส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กๆรุ่นใหม่และทางการต่างๆตามความรู้ความสามารถที่แต่ละคนถนัดอีกด้วย oh. และถ้าหากมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไปในแ่นแควันตัวท่านก็จะตัดสินด้วยความยุติธรรมคือผิดก็ว่าไปกนตามผิดถูกก็ว่ากันไ่ตามถูกเป๊ะ ah. ชัดม <laughs> <laughs> าเป็นเช่นนี้จึงทําให้ประชาชนในแ่นควันอยู่ร่วมกันอย่าง สงบสุขเรื่อยมา oh. ไาหลังจากที่บ้านเมืองไปนในแคว้นป ร, ราชาวองที่จะออกบวชอยู่ในภาวะสงบสุขมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน oh. ต่อมาก็ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นอีกแล้วบ oh. ริเวณแนวตะเข็บชายแดนที่อยู่ติด ก, กับแคว้กนการชนฝั่งทิศใต้ oh. จากทิศเหนือมา oh. ทิศใต้ แล้วในสุดเหตุการณ์ความไม่สงบนี้ก็ได้ลุกลามและขยายผลจนกลายเป็นมหาสงครามระหว่างแคว้นกันจนฝั่งทิศใต้กับแคว้นพระราชาที่ออกบวชสาหรับเรื่องราวของแคว้นกันจนฝั่งทิศเหนือและแคว้นกันจนฝั่งทิศใต้นั้นแต่เดิมก็เป็นแคว้นเดียวกันแต่ภายหลังไดมีการแบ่งเขตพื้นที่การปกครองโดยพระราบิดา จะปกครองอยู่ทางทิศเหนือส่วนพระราหเราก็ปกครองทางด้านทิศใต้ oh. หลังจากที่มหาสงครามระหว่างแคว้นการชนฝั่งทิศใต้กับแคว้นของพระราชาองค์ที่จอบวชได้ยุติลงแล้ว oh. เราสรุปเลยเนะ oh. าะเพราะเราเคยฟังมาแล้วท oh. ่านมหาเสนาบดีก็ได้สังเกตเห็นว่า พระราชาทรงมีประพักที่แลดูเงียบขลึมและไม่ทรงบิกบานเหมือนอย่างแต่ก่อนเลยเนี่ยแม้ชนะศึกก็ตามและเมื่อท่านมหาเสนาบดีได้สังเกตเห็นเช่นนั้นท่านก็รู้ได้ในทันทีว่าพระราชาองค์ที่จะออกบวชทรงรู้สึกเบื่อหน่ายและสลดหดหูต่อมหาสงครามที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะเดารายสายของพระองค์นั้นรองทรงเปี่ยมนด้วยเมตตาและไม่ปรารถนาที่จะรบลาข้าพันกับใครแต่เมื่อมีสงครามเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเช่นนี้เนี่ยร่องจึงจําใจที่จะต้องทําการรบเพื่อปกป้องแว่นแคว้นและประชาจนของพระองค์งถึงตาพระองค์ไม่ทรงทําการรบประชาจงก็จะยิ่งได้รับความเดือดร้อนและมีการสูญเสีย ย, ยิ่งไปกว่านี้อีก จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งพระราชาวุที่จบบอปวยก็ทรงมีรับสั่งให้เรียกตัวทันมหาเสนาบดีก็พบแต่คราวนี้ทันทีที่ท่านมหาเสนาบดีได้ก็พบพระราชาท่านก็ได้สังเกตเห็นพระพักของพระองค์และดูเปลี่ยนไปจากช่วงที่ผ่านผ่านมาที่ดูขุมขุม ที่ผ่านมานีจ้าคือจากเดิมที่พระองค์ทรงมีพระพักตร์ที่แลดูเงียบขรึมและไม่ทรงเบิกบานแต่พอมาในตอนนี้พระองค์กับทรงมีพระพักตร์ที่พองใสได้มีแววตาที่เปล่งประกายอีกทั้งพระองค์ยังทรงแลดูสดใสและเบิกบานเป็นอย่างมากอีกด้วย oh. เรื่องนี้ต้องน่าจะมีเหตุนี่นะเจ้า mm hmm. ธรรมาเสนาบดีสังเกตเห็นเช่นนั้น สมาเสนาบดีจึงได้ตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นมาในใจว่าน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับพระองค์อย่างแน่นอนและในขณะที่ท่านมหาเสนาบดีกําลังตั้งข้อสันนิษฐานอยู่นั้นพระราชาวุธที่จะออกบวกก็ได้ตรัส บ, บอกกับท่านมหาเสนาบดีว่าในวันนี้เราจะพาท่านมหาเสนาบดี ไปพบกับบุคคลสําคัญท่านหนึ่งทันที่ที่ทานมหาเสนาบดีได้ฟังพระดำรัสของพระราชาแล้วท่มหาเสนาบดีก็นึกขึ้นได้ว่าในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยพระราช า, ดา ไ, ได้เสด็จประพาสเข้าไปในป่าอยู่หลายครั้งซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าในป่าแห่งนั้นเนี่ย น่าจะมีบุคคลสำคัญที่พระราชาตรัสถึงอยู่และในวันนี้พระองค์ก็คงจะพาเราไปหาบุคคลสำคัญท่านนั้นแน่ๆเลย <Okay. S 1> จะได้ทั้หมาเสนาบดีก็ด็ดตตามสดเสด็จพระราชาเข้าไปยังเขตพื้นที่ป่าแห่งหนึ่งที่มีภูเขาสลับซับซ้อนมากมายอีสั่ ง, งเข้าไปถึงได้ค่อนข้างยากอีกด้วย หลังจากที่ท่านมหาเสนาปฏิตามสเสด็จพระราชาพงศ์ที่จะออกบทขบเข้าไปใป่าที่ลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วตัวท่านก็ได้พบกับเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งภายในเมืองเล็กๆแห่งนี้ก็ได้มีวัดโบราณวัดหนึ่งที่แทรกตัวอยู่ในป่าอันร่มรื่น แล้วเมื่อขบวนเสด็จได้เดินทางมาถึงที่วัดป่าแห่งนั้นแล้วราชาก็ทรงรับสั่งให้หยุดขบวนเสด็จแล้วพระองค์ก็ตรัส บ, บอยให้เหล่าทหาราราชาองค์รักทั้งหลายไปพักผ่อนอยู่บริเวณอรอบๆวัดจากนั้นพระองค์ก็ทรงพาท่านมหาเสนาบดีไปกราบพระมหาเถรละที่เป็นประธานสองฆ์อยู่ภายในวัดป่าแห่งนั้น ซึ่งก็คือคุณยาจางเรา น, นั้นเองทานที่ท่านมหาเสนาพอดีได้พบกับพระมหาเถระท่านก็เกิดความรู้สึกเหมือนกับมีแสงสว่างอันชุ่มเย็นแผ่ซ่านก็ไปห่อโอมอยู่ภายในใจของท่านจะทาให้กายและใจของท่านชุ่มชื่นชุ่มเย็นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและที่ first impression ใ้ความประทับใจเมื่อแรกพบพระมหาเถระในครั้งนี้นี่เองจึง ท, ทำให้ท่านเกิดความรู้สึกเคารพรักและศรัทธานในตัวพระมหาเถระขึ้นมาอย่างที่ตัวท่านก็ไม่เคยเกิดความรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนและเมื่อความรู้สึกเช่นนี้ได้เกิดขึ้นมาภายในใจของท่านจึง ท, ทำให้ท่านทลายความสงสัยได้ในทันทีว่า ทำไมพระราชาของเราถึงมีประพักติผ่องใสและแลโดยมีความสุขใจแบบที่ตัวท่านก็นไมเคยเห็นมาก่อนเลยและยิ่งพระมหาเถระเดเมตาสนานาพูดคุยกับตัวท่านด้วยแล้วท่านมหาเสนาบดีก็ยิ่งรู้สึกผูกพันและเกิดความคุ้นเคยเหมือนกับรู้จักกับพระมหาเถระไม่อย่างยาวนาน และพระธรรมมหาเสนาบดีในสนทนาพูดคุยจนทราบถึงอายุของพระมหาเถระแล้วตัวท่านกระแทจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าพระมหาเถระจะมีอายุมากถึงขนาดนี้ส่วาอายุของพระมหาเถระเท่าไหร่นั้นใกล้ไปคาดเดากันเอาเองที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะ พระมหาเถระมีใบหน้าที่ผ่องใสและดูออนก็ไวัยเป็นอย่างมากอีกทั้งกระรอบรอบกายของพระมหาเถระยังกคล้ายกับมีออร่า <Wow. S 1> เรมีรสมีความสว่างเรืองเรือ oh. <c oughs> แผกมาอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยห oh. oh. ลังจากที่ตามหมาเสนาบดีได้สนท น, นาพูดคุยกับพระมหาเถระได้สักระยะหนึ่งแล้ว ตวท่านก็นมีโอกาสเด้นั่งสมาธิกับพระมหาเถระจากนั้นตัวท่านก็ได้เดินออกไปสำรวจดูบริเวณพื้นที่ภายในวัดป่าแห่งนั้นแลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้เดินสำรวจดูพื้นที่รอบๆวัดป่าของพระมหาเถระแล้วตัวท่านก็ได้พบว่านอกจากพื้นที่ภายในวัด จะแลดูเริ่มรื่นและเต็มไปด้วยต้นไม้นา น, นาพัานแล้ววัดป่าแห่งนี้ยังสะอาดสะอา้านและมีความเป็นออระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยไปเพียงแค่นั้นเมื่อท่านมหาเสนาบดิเด้สังเกตดูลักษณะของญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญถวายพัฒหานพระในตอนกลางวันตัวท่านก็ยิ่งทึ่งกับภาพที่เห็น เพระาะญาติโยมแต่ละคนจะแต่งชุดขาวแล้วก็มีความขอรพแต่การนำทานเป็นอย่างมากมันก็ญาติโยมเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดี oh. เออโลกนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่นะ <Yeah. S 1> และมาตรามหาเสนาบดีได้เห็นเช่นนั้นจึงให้ตัวท่านนึกย้อนไปในอดีตในสมัยที่ตัวท่านเรียนวิชาอาคม oh. <laughs> จากอาจารย์แล้วอาจารย์นั่นก็ บ, บอกกับท่านเอาไว้ว่ามีสถานที่อยู่แห่งหนึ่งเป็นที่รวมของสุดยอดวิชาต่างๆ <c oughs> โดยภายในสถานที่แห่งนั้นจะมีพระมหาเถระอยู่องค์หนึ่งที่เป็นประธานสงฆ์และคอยสอนสุดยอดวิชาอยู่ที่นั้น แต่ตังต้งการจะเรียนสุดยอดวิชาแล้วลราก็ต้องจะต้องไปตามมหาสถานที่แห่งนั้นให้พบแต่ประกอบที่จะพบสถานที่แห่งนั้นได้ก็จะต้องมีบุญวาสนาเพียงพอเ<อ>มตตามหาเสนาบดีได้ลองพิจารณาไตรตรองถึงคำของอาจารย์กับลักษณะของวัดป่าแห่งนั้นแล้วตัวท่านก็นเกิดความมั่นใจขึ้นมาว่าสถานที่ที่อาจารย์ท่านเคยพูดถึง จะตั้งเป็นวัดป่าแห่งนี้อย่างแน่นอนและเมื่อท่านเกิดความมั่นใจเช่นนั้นท่านจึงไม่อรอชา้าจตรีบไปภาวนาขอเป็นลูกศิษย์กับพระมหาเถระในทันที<า>โอ้เล่นฉลาดเนะาะหลัง<า>จากนั้นเป็นต้นมาท่านมหาเสนาบดีก็ได้ตามสเสด็จพระราชาองค์ที่จะออกบวช มาที่วัดป่ายแห่งนั้นอีกหลายครั้งในทุกๆครั้งที่ท่านมหาเสนาบดีเดินทางมาที่วัดป่ายนั้นตัวท่านก็มักจะมีโอกาสได้นั่งสมาธิกับพระมหาเถระอยู่เสมอๆพอปเป็นเช่นนี้จึงทําให้ท่านมหาเสนาบดีมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีและก้าวหน้าเป็นอย่างมากคือตัวท่านได้เห็นดวงแก้วและองค์พระภายใน เีมาพร้อมกาความสุขใจแบบที่ตัวท่านไม่เคยสัมผัสความสุขเช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิต oh. แต่ด้วยความที่ตัวท่านมีภารกิจรัดตัวเยอะแยะมากมายทีงทําให้ท่านมีเวลาปฏิบัติธรรมเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น oh. แต่สั้นๆในขนาดนี้ก็มไม่ธรรมดาเนาะ <Yeah. S 1> ในเวลาต่อมาไม่นานหลังจากที่พระราชาองค์ที่จะออกบวช ได้เสด็จกลับมาจากการไปกราบพระมหาเทระที่วัดป่าแห่งนั้นแล้วพระองค์ก็ส่งรับสั่งให้เรียกประชุมเหล่าเสนาอํามาตย์และข้าราชการในทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดแลว้วเมื่อทุกคนได้มาพร้อมพเพรียงกันที่ประชุมแล้วพระราชาก็ได้ตรัส บ, บอกให้ทุกคนได้ทราบว่าพระองค์จะทรงสละราชสมบัติเพื่อออกพันหนด พระองค์จะทรงแต่งตั้งให้พระอนุชาขึ้นครองราชและปกครองแว่นแคว้นแห่งนี้แทนพระองค์งในช่วงก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกผนวดนั้นพองค์จะท่งมอบมาให้ท่านมหาเสนาบดีเป็นผู้ถวายคําแนะนําเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินให้กับพระอนุชาและเมื่อทุกอย่างลงตัวทั้งหมดแล้วพระองค์ก็จะเสด็จออกผนวดในทันที ส่วนว่าเหตุการณ์หลังจากที่พระราชาทรงประกาศเสด็จออกพระโแล้วจะเป็นอย่างไรท่านหมหาเสนาบดีจะมีความรู้สึกเช่นไรนั้นเราก็คงจะต้องมาติดตามมารับฟังในตอนต่อไปนะจ๊ะ